ตอนนี้ไปก็ฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานเอ่อวันนี้มีนักเรียนมาฝึกด้วยฝึกประจําวิศประจําประจําวันหยุดก็รอบเดียดสำหรับโรงเรียนในด้านธรรมะไอ้หนุบมือลงก็ไม่ต้องผนมือทุกคนก็ต้องผนมือโยมนะที่จะเมื่อยไปเจริญกรรมฐาน ก็ธรรมประจําโรงเรียนก็ขอบบรรดาญาโยมพระตบริษัทไปปฏิบัติตามด้วยถ้ายังนึกถึงอยู่แล้วก็ยังปฏิบัติได้อยู่ถือว่ีสมาธิในด้านนั้นธรรมประจํานักเรียนทั้งโรงเรียนที่รงเรียนก็ปฏิบัติตามวันนี้ก็คงไม่นํามาพูดทั้งหมดอันดับแรกก็คือพรหมบีหานสิง นี่ทุกคนต้องจำให้ได้นะถ้าปฏิบัติให้ได้พรหมหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาที่สยาใครให้คนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยและก็สี่อุเบกขาวางเฉยความจริงพรหมหารสี่นี่ไม่ใช่เฉพาะนัเกเรียน มันดาพิสุดสมณเนญาติโยมพุทธบริษัท ต, ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้งนี้เพราะไเพราะว่าการเจริญกรรมฐานในการทรงความดีทุกอย่างอย่าเป็นทานนบา ร, ร, รมีก็ดีศีลนบา ร, รมีก็ดีสมาธิก็ตามมีปัสนายานก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นกับพรหมเหืางสี่ ถ้าจิตใจไร้พร ม, มิหารสี่การให้ทานก็ให้ไม่ได้การรักษาสิงห์สิงก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าเจริญสมาธิสมาธิก็ไม่เกิดเจริญวิปัสนาญาณปัญญาก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตมีความเน่าร้อนถ้าทุกคนจิตทรงพร ม, มีฐารสี่คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนและสัตว์ทั้งโลก เราจะเป็นมิตรที่ดีของเขาเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครแบบนี้จิตใจก็เยือกเย็นรายการนี้สองจิตมีกุณาคือมีความสงสารจิตที่มีความสงสารก็เป็นจิตที่เยือกเย็นเหมือนกันคิดอย่างเดียวว่าใครในโลกมีทุกคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข อย่างนี้อารมณ์ใจก็เยือกเย็นประการนิสามุธุตามีจิตอ่อนโยนไม่อฉาญิศิยาไทยการฉาญิศิยานะั่นเป็นจิตในควารรมเราร้อนเห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยอันนี้อารมณ์จิตก็เย็นนอกจากเย็นแล้วในะเมื่อเรายินดีในความดีของเขาเราก็ปฏิบัติตามเขาเราก็ดีเหมือนเขากดีสิอยเมขาวางเฉย นั่นหมายความสิ่งใดก็ตามที่มันจะพึงเกิดขึ้นกับเราก็ดีกับเพื่อนของเราก็ดีกับคนที่เนื่องจากเราก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราก็เราช่วยไม่ได้เราก็ยังไม่ช่วยวางเฉยไม่ซ้ำเติมนั่นทรงพรมิหารสีนี้ถ้าบันดาท่านพุธบริษัทปฏิบัติได้ การให้ทานก็ยังมีจิตใจสมบูรณ์แบบหมายความสามาัญสามารถให้ทานได้คล่องการเจริญสินรักษาสินก็บริยสุดบุดพองเราสินอาศัยพรมิหารสองข้อคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารถ้ามีเมตตาความรักมีกุณาความสงสารยานี้สินทุกข้อบริสุบริรบ์หมด ต่อไปก็คุณธรรมที่เด็กทุกคนต้องปฏิบัติอีกก็คือสังหาวัตถุสีอันนี้ก็มีความสําคัญมากเพราคนเราอยู่ร่วมกันจะเป็นเด็กนักเรียนก็ตามญาติโยมเพืก็ไปใส่ก็ตามพระเน่งก็ตามเหมือนกันหมดเพราะทุกคนไม่อยู่ในโลกแต่ผู้เดียวเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในเมื่อการที่อยู่ร่วมกันกับคนอื่นก็ต้องสร้างความรักให้เกิดขึ้น เหตุที่เกิดความรักที่พระเจ้าสนุนเรียกว่าสังหาวัตุสี่คือมีการสงเคราะห์กันสีอย่างคือหนึ่งทานการให้รู้จักสงเคราะห์รู้จักยื่นโยนซึ่งกันและกันในเมื่อรู้จักการสงเคราะห์รู้จักยื่นโยนซึ่งกันและกันแบบนี้ความรักก็เกิดในระหว่างผู้รับเราโทษผู้ที่เราให้ไปก็รับผู้รับย่อมมีความรู้สึกรักและชอบใจในบุคคลผู้ให้ อันนี้เป็นปัจจัยในให้เกิดความรักแล้วกเรายการในสองพิยวาจาปิยะในแปลว่าที่รักวาจาที่พูดไปแล้วเขาชอบใจในวาจาของเราเรียกวพิยวาจาคนระดับไหนสังคมชั้นไหนเขาชอบพูดจาแบบไหนแล้วพูดแบบนั้นเมื่อพูดเป็นเป็นที่ถูกใจชอบใจของเขาเขาก็รักเขาก็ชอบ ในเมื่อเรามีคนรักเรามีคนชอบมากเราก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีพวกมากมีเพื่อนมากถ้าข้อทีอ่สามอธิจริยาการช่วยเหลือการางานซึ่งกันและกันการช่วยเหลือการางานในมีความุกคัญเขาทำไม่ไหวเราช่วยอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยคนที่ถูกเราช่วยเกิดความรักในเราก็เป็นเป็นใจเกิดความรักอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็จมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตอนข้อนี้มีความสำคัญมากเหมือนกันถ้าการถือตัวถือตอนมีขึ้นเราเป็นลูกคนนั้นเราเป็นหลานคนนี้เรามีฐานะจนิ่นั้นเรามีความรู้ขนาดนี้เราดีกว่าเขานี่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อเกลียดเขาจะเป็นคนระดับไหนก็นตามเราถือว่าเขากับเราเป็นพกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน คนเราจะนึกว่าคนที่มีฐานะสูงจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจาคนมีฐานหนาะหนะต่ำอันนี้ก็ไม่จริง <c oughs> คนที่มีฐานะความร่ำรวยมากมียศใหญ่มีวาสนาบ ร, รมยมากบางครั้งก็มีการเพื้องพรำต้องอาศัยคนที่มีฐานะต่างกว่าช่วยเหลือก็มีเยอะในข้อมดาจะเล่ทานฟังแเรื่องไปละอย่างเรื่องราวนิทานอิศก ถึงแม้ว่าจบเป็นนิทานก็ต้องคิดที่น้ำบอกว่าราจสีกับหนูแต่ในการครั้งหนึ่งเรากับหนูพบราจะเราจสีพบหนูเข้าขอเล่าอย่างย่อก็คิดว่าเจ้าหนูนี่สร้างฟารอมคานจริงเราเท้าไปเหยียบแล้วไปึงเบาๆก็คิดว่าเราจะเหยียบเจ้ามาใดก็ตายแต่ว่าวันนี้เราจะปล่อยพันไปเธอไป พขเล่าอย่หย่อนนะ็อกาจจะไม่เหมือนนิทานนักแต่เมื่อความได้กันหนูขอบคุณทราเรศีก็บอกว่าโอกาสหน้าถ่าเพิงมีผมขอสนองตอบคุณท่านเรสีว่าไอสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเองเรียกช่วยฉันนะ่ะฉันเป็นสัตว์ที่มีอมนาจวาสนาสูงสุดในป่า ต่อมาวันหนึ่งปรากรายสีประจิดแล้วไปบ่วงแล้วที่ในพานดักเอาไว้ดิ้นเท่าไรไมันก็ไม่ขาดก็ส่งเสียงร้องกล้องไปทั้งป่าเป็นว่าเสียงรรฤสีนี่หนูจําได้ว่ารรยสีตัวนี้ตนี้ก็คือเคยปล่อยให้เราพ้นจากอันตรายมาก่อนยิ่งเดา ว, วิ่งไปที่รรยสีเห็นรรยสีติดบ่วงที่ได้คามไปบนตัวไรฤษี แล้วก็ค่อยๆกัดเชือกที่เป็นบ่วงใ น, นที่สุดเชือกก็ขาดราชสีก็ปลอดภัยหนูจึงบอกว่าท่านเคยปราบไหมขมพระเจ้าไว้ว่าสัตว์เล็กๆมันสามารถจะช่วยท่านได้แต่เวลานี้ก็สามารถสามารถช่วยท่านได้เในการสนองคุณท่านแล้วที่ทานเรื่องนี้มีบุตมาชั้นใดแม้แต่เราก็เช่นเดียวกันเขาเราเร า, เรากับเขาก็เหมือนกัน การที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันไม่มีสักวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องมีการช่วยเหลือเชื่งกันเองกันฉะนั้นคนดีเขาจะช่วยเราได้เราต้องเป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือตนอย่ามปกติถ้าเรากับเขาก็เป็นเพื่อนกันราส า, สาม า, ารถสมาคุมกันได้ตามชัน้นบรรณะนี่ต่อไปข้อหนึ่งที่นักเรียนต้องพึงปฏิบัติก็คือกำหนดสิบระการ กรรมบทสิบบวกสินห้าที่ต้องบวกกันเพราะว่าเคยมีผู้บริการจังหวัดอดีตผู้บริการจังหวัดท่านหนึ่งท่านจดหมายมาถามว่ากรรมบทสิบของท่านเนี่ยพ่อหลวงพ่อทําไมไม่มีการห้ามโซรารมีไรใช่ไหมคนฉลาดฉลาดแบบนี้หา ย, ยากก็ <c oughs> เลยก็เลยคิดในใจว่าท่านโุตส่า์เคยเป็นผู้บริการจังหวัด แต่ก็ไม่เป็นไรเป็นความเข้าใจของท่านกรรมบทสิบก็แบ่งเป็นสามภาคคือภาคกายกรรมภาควาจีกรรมภาคมโนกรรมกายกรรมทําด้วยกายวจีกรรมนึกว่ากาวด้วยวาจามโนกรรมนึกทางใจภาคทางกายของกรรมบทสิบจริงๆก็มีสามแต่บวกซื้อห้าเข้ามาก็เป็นสี่ขึ้นหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามและีไม่ดื่มสุราดำมีไรนี่ทางกายนะถ้าทางวาจาคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยโยงส่งเสริมใครเขาแตกร้าวกันห้าไม่ใช่วาจาเพื่อเจอเหลวไหลแล้วก็ ทางจิตใจหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้เราก็ไม่อยากได้ไม่ใช่อยากได้แต่ยังขโมยไม่ได้ไม่อย่งนั้นไม่อยากได้มาซะเลยที่ชื่อว่าทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่ต้องการถ้าเราอยากจะได้เราหาเอาเองก็ดีสองไม่จองล้างจองผ่านไข่ความโกรธอาจจะมีอยู่จะหายง่าย ข้อที่สามไม่ฝ่าฝืนคำแนะนำข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้กาก็เอากันแค่สามอย่างพร ม, มีฐานสี่สหัตุสี่จมบทสิทิทั้งหมดนี้จะเป็นพระกฎดีหนึ่งกฎดีญาติโยมพุทธริษสทก็ตามสำรับเด็กนักเรียนก็ตามทั้งหมดถ้าทุกคนยังระลึกได้อยู่ทุกข้อ แล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้อาจจะพลาดพลั้งไปบ้างไปของธรรมดาแต่อาจจะพลาดไปเพราะไม่เกินไม่เกินวิสัยที่เราจะแก้ไขถ้าจิตนึกถึงอยู่ท่านถือว่ามีสมาธิในสีลานุสติกมามฐานคำว่าอนุสมาธิเ น, น, นี่ยในนุสติไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิคือนึกถึงอยู่นึกถึงสิ่งที่กํกหนดสิ นึกถึงพรมิหารสี่นึกถึงสังหาวัตุสี่ถ้าเรายังนึกได้อยู่ว่าข้อวัดปฏิบัติมีอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นไม่พยายามฝ่าฝืนไม่ไม่มาอาจจะเพล่บ้างเป็นของธรรมดาถ้ามีการพลาดครัง้งเราก็คิดว่าจะยับยั้งต่อไปเรื่องหน้าเราจะไม่ไม่ไม่ยอมไม่พลาดอีก ถ้าอย่างนี้ท่านเรียกอนุสติคือตามนึกถึงเป็นสมาเป็นกรรมาฐานสิบกองนึงกองหนึ่งหนึ่งกองในกองีในสิบกองอนุสติินงีสิบอย่างถ้าตามนึกถึงอยู่อย่างนี้ขณะใดที่ยังนึกถึงอยู่ขณะนั้นชื่อว่ามีสมาธิในอนุในสีลานุสติอ่าลืมนะ เนี่ยสมาธิถ้าเรานั่งหลับตากันเฉยๆพอเลิกไปแล้วก็ประพาติชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่างนี้การเจริญสมาธิไม่มีความหมายสมาธินี้มีความหมายสมาธิแ่าตั้งใจคือตั้งใจปฏิบัติตามนี้ไปอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติตามนี้ ขณะที่จิตยังทรงตัวอยู่และปฏิบัติได้นั่นที่มีสมาธิแนนุนติตนนันนั้นและก็ถ้าปฏิบัติทำได้ถือว่าจิตทรงสมาธิในนุนติตามที่เราต้องการถ้าสามารถแจงปฏิบัติได้จะมีการทรงตัวคือว่าหมายความว่าเราจะไม่มันจะไม่ลืมในกำหนดสิบ ท, 10, ทุกข้อเราไม่ลืมในสินห้าเราไม่ลืม ในนุสติสิบในสังขาวัตุสี่เราไม่ลืมพรมีหานสี่เราไม่ลืมจิตใจทรงตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นชาในนุสตินั้นๆแล้วก็ถ้าประโยชน์ที่จะพึงได้ถ้าทุกคนสามารถทรงพรมิหานสีได้อย่างเดียวสังหาวัตุสีก็ทรงด้วย กำหนดสิบแล้วสิ้นหา้ากดส่งด้วยโต๊ะพรมิหารสี่เป็นโตะเป็นตัวนำมาเป็นกําลังหน้านกำลังกาลังส่วนหน้าถ้าทําได้อย่างนี้สมชาญสมาบัติก็จะมีสภาพทรงตัวแล้วก็แจ่มใสคนที่บอกว่าชาญสมาบัติไม่ทรงตัวนั่นหมายถึงว่าขาดพรมิหารสี่เออบกก้องในพรมิหารสี่เนี่ยมาบกกร้องในพรมิหาร 4, สี่สิ้นก็บกกร้องไปด้วย ถ้าพระไมหาสี่ทรงตัวอย่างเดียวทุกอย่างครบถ้วนหมดตอนนี้ไปก็มาพูดกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการทรงตัววันนี้นักเรียนยังไม่ต้องซ้อมแตเตรียมตัวให้ดีนะสักวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่อจะเรียกว่าซ้อมเองให้แถวหน้าหน้าเตรียมตัวนะเพราะว่าถ้าจะเรียกว่าซ้อมจะเรียกว่าซ้อมแต่พ่อเ ด, ยเดียวต้องให้ตัวจิต เ, เตรียมขยายเสียงไว้ก่อน ต้องใช้กราะยะเสียงนักเรียนพูดเข้าักเครื่องมาพูดจิตนะทาไมโฟนต้านตรงนี้ให้เธอพูดต อ, อกมาเรียนตัวดีทำไมช้าใไทยมันบอกว่าไม่ซ้อม น, นั่งหลับง่ายเอาละสักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่บนนะ่ยคือว่าการเจริญสมาธินั่งสงัดเนี่ยเป็นความดีถ้าเวลาเริ่มสมาธิจริงให้นึกถึงลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจิตยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกชื่อว่ามีสมาธิในอนาคานุสติกรรมฐานขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกและจิตไม่ยุ่งกับรมอย่างอื่นเฉพาะเวลา มันอาจจะได้สักนาทีสนาทีสามนาทีหรอกถ้าสามนาทีเทีวเก่งมากอย่างนี้เทว่ามีสมาธินานาฟานุติเวลานั้นจิตว่างจากิเลสรู้ลมเข้ารู้รมออกรู้อยู่อย่างนี้จิตว่างใจกิเลสตอนนี้ถ้าภาวนาด้วยเที่ยวมีสมาธิในคำภาวนา นัเกเรียนชำนาญเรื่องนมามบัตทะกะว่าดนมามปัตทะไปนมามบัตทะนี่เป็นท่าเจ้าสี่เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในพุทธศาสนาในกรรมฐานสี่สิบให้ใจเข้านึกว่านมามให้ใจออกนามบัตทะเป็นการเตรียมทรงฌานด้วยความมริรคของจิตขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้าด้วยรู้ลมให้ใจออกด้วย รู้คำภาวนาด้วยเวลานั้นเชื่อเรามีสมาธิ ส, สองอย่างคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวทนาปานุสติรู้นามาภะทะเป็นจัตุธาตุฐานสี่ในกรรมฐานสี่สิบเหมือนกันท่านี้การที่จิตทรงตัวเมื่อเช้านี้เขาบ่นก็บอกว่านั่งเงียบมันจะหลับความจริงนั่นดีมันไม่ใช่หลับ นั่งยังเงียบพอจับลมไว้ใจก็ออกเรื่อยๆไปอันดับแรกๆลมมันยาบเราจะมีความรู้สึกมากต่อไปต่อไปจิตเริ่มมีสมาธิขึ้นเพละน้อยและน้อ ย, อยสมาธิมันสูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นมากเพียงใดการรู้ลมให้ใจก็ออกัำน้อยลงไปเท่านั้น จะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันเบาลงเบาลงเบาลงแต่ความจริงลมงหายใจไม่ได้เบาก็จิตเริ่มไปสมาธิจิตตักระสายก็แยกห่างจากกันค่อยค่อยห่างมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนทั้งใกล้ใลจะมีอารมณ์เคลิมตานที่มีอารมณ์เคริม้มในความจริงไม่ใช่หลับเราต้องสังเกตว่าถ้าหลับมันยังงุบงุบกนางุกขลังเป็นตน ถ้ายังนั่งเฉยอยู่อารมณะเอียดใกล้ลงเพิมนั่นไปอานาปานุสติกรรมฐ า, านอีกเข้าใกล้จะเข้าฌานคิตจะใกล้จะใกล้ใกล้กลจะถึงฌานตอนในช่วงขณะต่อไปจิตเรียบลงไปเพียงน้อยแะน้อยแตน้อยจนกระทั่งโหูด้ยินเสียงภายนอกในวิหารนี้ก็เสียงนก เสียงนกร้องระดิ้กล้องหมดทุกอย่างยินชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าหูไม่รําคาญในเสียงการู้ลมให้ใจก็ออกได้แบบสบายภาวนาได้แบบสบายสําหรับลมเขาออกจะมันเบาลงไปอย่าฝืนให้มัแรงนับปล่อยมาตามเรื่องของร่างกายหูไม่รําคาญเสียงภายนอกมายังนั้นเชื่องจิตเข้าถึงวัตถุมิจาน ถ้าจิตมีอารมณ์เคลิ้มในขั้นอุปจาระสมาธิก็ดีจิตเข้าถึงปฐมฌานนิชฌานาเองก็ตามรอยอาการทรงตัวให้เป็นไปตามนั้นถ้าทุกคนสงสยัยว่าเคยปฏิบัติที่ไรก็มีแต่การซ้อมการซ้อมตอนนี้มานั่งเงียบเงียบตอนนั่งยังเงียบก็คิดว่ามันจะหลับไปความจริงมันจะหลับให้สังเกตตัวเองถ้ามันลูกน้ำลงไปข้างหน้า มันทันท่าเคิ้มเหมือนจะหลับจริงๆถ้าจะหลับมันจะงูบจะล่มตัวลงถ้าห่กาการยังนั่งทรงตัวอยู่อันนั้นไม่ใชล่หลับจิตะสมาธิสูงขึ้นถ้าทุกคนฝึกทำสมาธิเงียบๆอย่างนี้ไว้เรื่อยๆต่อไปถ้าถึงที่สุดของอารมณ์อารมณ์มันจะถอยตัวลงอาการเคลิ้นเคริมจะหายไป ความแจ่มใสข้อรมจะเริ่มมาขึ้นแต่บางคนจะไปงนีนนะทุกคนที่เคยฝึกสุภนโนยทธ่ดได้บางทีธรรมรงเงียบเงียบไปอย่างนั้นพอจิตเข้าถึงจุดจิตมันจะเคลื่อนออก ท, ทันทีจิตจะไปสวรรค์บ้างจิตจะไปพุทธโลกบ้างจะไปไหนมันก็ตามถ้าจิตเคลื่อนออกให้คุมจิตไปตามที่เราต้องการเวลานั้นภาพจี่ปรากฏข้างหน้าจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใสมากเพราะจิตสะอาด จ, จากกิเลส นาขอทุกคนเข้าใจตามนี้นะจใช้เวลาสักแปดสแปดนาทีก็อขอแนะนําบรรดาญาโยมวัตถุสัจที่มาฝึกโมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปล ว, ว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นกรรมฐานหมวด ท, ที่สามในพรูุทธศาสนาที่เรียกว่าปิญญาการฝึกโมโนยิทธิและกรรมฐานอย่างอื่นอันดับแรกเหมือนกันหมด นั่นคื่อนดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกตามวั น, นะมะคัมโมนาเชนมะพระทะหายใจเข้านึกตามวั น, นะมะให้ใจออกนึกตามมพระทะอตาตมนี้นะแล้จงอย่าบังคับลมหายใจเขาออกลมหายใจเข้าจะออกจะหนักจะเบาจะยาวจะสั้นไปปล่อยเรื่องของร่างกายอย่าไปบังคับร่างกาย เราทราบแล้วว่าถ้าสมาธิดีขึ้นลมหายใจจะรู้สึกเบาๆลงตามที่พูดมาแล้วตอนนี้การฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพยคุญานก่อนคําว่าทิพยคุญยานไม่ใช่ลูกตาเพ็นทิพยถ้าลูกตาเพ็นทิพยเขาเรียกว่าทิพนต์อันนี้จะมีได้เฉพาะแนวนาวฟ้าเทวาดาหรือปรม เราเป็นคนมีร่างกายเป็นเนื้อท่านท่านมีร่างกายเป็นทิพย์แต่มีตาทิพได้ตอะนี้นเรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิเหมือนได้จะมีได้เฉพาะทิพ ย, ย์จากกุญญาณนี่คําว่ายานไม่ได้แปลว่าเความญาณแต่บรรลุถ้าแปลเต็มศัพ์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ อันนี้พิกลยายนเกิดขึ้นกับบรรดาญาโยมบริษัทจะมีกําลังไม่เสมอกันสุดแล้วแต่จิตสะอาดหรือสะอา ด, อาดเท่ากันแล้วไม่เท่ากันถ้าจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็น้อยถ้าจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์น้อยอย่างนี้จะจิตจะไม่เห็นภาพในเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาจิตไมเห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกถ้าฟูก็ถามอะไรมา ความรู้สึกคืั้งแรกมีว่ายัางไงตอบทันทีทันใดไม่ต้องกลัวผิดก้จะไม่ผิดถ้าจิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกแล้วก็จิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเห็นแล้วก็จิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมาก วิธีปฏิบัติตอนที่บรรดาญาโยมบริษัทเข้าไปนั่งประจำที่ครูผู้นั้นนำจใจญาโยมบ ร, ริษัทภาวนาเพียงแค่ประมาณสิบนาทีนั่นคือเวลานั้นให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนพระทะสำหรับญาโยมที่ได้แล้วต้องการจะซับซ้อมให้ตั้งอารมณ์ตามเดิมคิดว่าโลกนี้เป็นทุกข์เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการนี้ผ่านจุดเดียว ด้าจิตใจจับพระรูปพระโคมองค์สมเด็จตัวสัมมาทัมพุทธเจ้ า, าชาัดเจนแจ่มใสสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอย่างในโบทนี้นึกถึงนึกถึงพระพุทธจินราชกอดใถ้าเกิาได้ดาภาพพระพุทธีราชยังติดอยู่กับใจของเราเวลานั้นจิตมีสมาธิ ตาภาพเลือนไปหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดิมตาจําได้แล้วหลักตาทั้นอีกจะนี้ใช่ได้กระงความว่าขั้นแรกครูก็าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกก็มีขอโทษเลยไปหน่อยขณะที่มีครูเข้าไปนั่งขณะขยศสอนตอนนี้ขบันดาญาโยมพุทธริ ษ, ษัททุกคนเลิกภาวนาแล้วก็เลิกรู้ลมให้ใจเขาออก ตอนนั้นตั้งใจคำฟังคําแนะนำเขาผููสอนขณะที่จิตตั้งใจฟังคําแนะนําอดสอนนัจิตจะเริ่มไปสมาธิคือมีสมัยมาที่เสียงในธรรมะขณะที่จิตฟังเสียงทำอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจา ก, กิเลสความป็นที่ก็เริ่มเกิด ในเมื่อครูก็เห็นว่าความมึนคิบเริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างให้ตอบตามความรู้สึกทันทีอย่ายั้งตัวถ้าว่าเห็นว่ามีนะจะมีความรู้สึกว่ามีถ้าเ็าถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเ้าก็ถามว่าถามามว่าท่านทีอยู่ขา้างหน้านุ่งผ้าใส่เสื้อสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกของท่าน ก็รวความว่าถ้าตอบตามนั้นครูก็มีความมั่นใจว่าตอบถูกต้องความมรรติมีแน่หลังจากนั้นเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งให้จิตแจ่มใสขึ้นคนที่เห็นไม่ชัดจะได้ชัดเจนขึ้นต่อไปจะพาไปพระจุลามนีเจริสถานอันตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่นั่นจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็พระรหันเห็นาหาเทวดาเร็พรม เนื้อนมัสการเสร็จเขาก็จะแนะนําให้ไปพระนิพพานจะได้ทร า, าบบอกบารมีของเราเวลานี้ถึงนิพพานไหมถ้าไปถึงที่นิพพานปรากฏบารมีวิมานของเราอยู่ที่นั่นก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะไปนิพพานมีแน่นอนอรัม บ, บันดาญาโยพระตุภิษัททุกคนเด็กทุกคนเลยนะหันหน้าไปทางพระตุลุภเฮยหันหน้าไปทางพระตุหันหลังไปหันหลังไปงงไปห า, า, ป า, า, ปาพระตุลุ เออตอนนี้ไปก็ตั้งใจสมาทานศินสบาธรามกรรมฐาน